บทว่าติรชานักตาปานาจิตเตเนวจิตติตาจินติตาความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตแล้วเพราะจิตที่เป็นเหตุให้กรรมนั่นเองก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีนกกระจอกและนกกระทาเป็นต้นที่จะชื่อว่าประมวลเอาจิตที่เป็นเหตุให้ทํากรรมนั้นๆมาโดยคิดว่าเราทั้งหลายจักวิจิตอย่างนี้ไม่มีเลยอั น, นอพูดถึงตอนที่มันเป็นนกก่อนใช่ไหม นกกระทา น, นกแก้วนกขุนทองนกอะไรนะมันคิดว่าฉันจะเอาเอ า, เอาขนสีเขียวสีเหลืองไปต้นะมันทำได้ไหมในตอนนั้น่ะจริงๆแล้วไม่ได้หรอกในขณะนั้นนั่นนะกรรมตังหากชักนําให้ไปสู่กําเนิดเนี่ยนะให้เกิดในไข่ทั้งหลายแหละนะการที่สัตว์เหล่านั้นสวยงามก็โดยมีกําเนิดเป็นมูล จิงอยู่สัตว์ทั้งหลายที่เข้าถึงกาเนิดแล้วย่อมวิจิตเหมือนกับสัตว์ที่เกิดอยู่ในกาเนิดนั้นนั้นบัณฑิตเพิ่งทราบว่าความวิจิตสำเร็จมาจากกาเนิดกาเนิดนี้สาเร็จมาจากกรรม่นะกรรมนี่มาจากไหนก ร, กรรมนะละแห่งก็กรรมบอกมาจากตันหาตันหาก็มาจากเ ว, าเวทนาบ้างมาจากสัญญาบ้าง สัญญาหรือตันหาเหล่าน่ะสัญญาหรือเวทนาเหล่านั้นก็มาจากจิตเนี่ยนะจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยมันก็เลยทํากรรมวิจิตพอกรรมวิจิตผลงานที่ออกมาก็วิจิตจริงนะของเรานี่มานั่งกันทั้งหลายคนมันน่าจะเหมือนกันบ้างเลยนะนีม่มีใครเหมือนใครเลยนะมันก็แต่งได้ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนขนาดผ้าที่ใช้นะั้นไม่มีเหมือนกันสักคนเลยโดยที่สุดแม่แต่จีวรที่ผมเนี่ยนันได้เหมือนนะ ขนาดว่าชุดสีเดียวกันนะนะก็ยังไม่มีความเหมือนกันเลยม น, นทุกคนเนี่ยนะแสดงว่าเป็นตัวของตัวเองมากเลยใช่ไมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยนะแล้วไม่เรียนแบบใครก็ไม่เหมือนเลยนะไปเรียนแบบอีกก็เสียอีกอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าจิตนี้สหาชาตธรรมคือผัสสะเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะจึงพึงทราบว่ามีอารมณ์อันวิจิต กว่าความวิจิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือคือในสัมปยุตธรรมในความคิดหนึ่งดวงนะเช่นโลภะเกิดขึ้นนะโลภะบางอย่างเป็นทิฐิสัมปยุตใช่ไหมไอ้ทิฏฐิสัมปยุตก็แบ่งออกเป็นสกายทิฐิสกายทิฐิก็ขยายไปเป็น20สไอ้สกายะทิฐินัก็ขยายตัวรัิทิฐิเหล่านั้นไปเป็นทิฏฐิ62เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ไอ้ตัววิปยุตเองก็ไปประกอบกับเรื่องมานะไปประกอบกับอย่างอื่นอีกกูเยอะแยะไปหมดเลย ในตัวความคิดเพราะนั้นความวิจิตของจิตเนี่ยนะมันยิ่งกว่าเดรัจฉานมากนักเพราะวิจิตด้วยสหชาตธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจิตนี้วิจิตเพราะสหชาตธรรมแปลว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับความคิดเนี่ยนะมันทําให้จิตวิจิตเพราะวิจิตด้วยวัตถุวัตถุคือที่อาศัยนะเพราะว่าอาศัยจากขู่จิตก็วิจิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมันวิจิตเพราะมันเห็นได้อะถ้ามันไปอาศัยหูมันได้ยิน ถ้ามันอาศัยจมูกเกิดมันรู้กลิ่นถ้าอาศัยรสเอ่ออาศัยลิ้นเกิดมันรู้รสอาศัยกายเกิดมันรู้ผลทัพะอาศัยมโนโทวานี่มันรับรู้หมดเลยเนี่ยวัตถุมันก็ทำให้ไอตัวจิตนั้นๆวิจิตเนี่ยงวัตถุนี่นะพูดถึงความวิจิตของของวัตถุเดียวก็ต่างกันมากมอ่ะคนยังยังสูนี่ฟังเพลงหรืออะไรนี่ต่างกันมากๆอ่ถ้าถ้า การฟังเสียงนะการรับเสียงของแต่ละคนเนี่ยขีดความสามารถรับแตกต่างกันแต่ว่าไอ้ชอบฟังเสียงนั้นๆเนี่ยอันนี้เป็นชวนาละไม่ไม่ไม่ใช่ตัวหูคือบางคนเนี่ยรับเสียงได้เร็วมากได้ไวมากรับเสียงแม้กระทั่งเสียงนิดๆหน่อยๆเขาก็รับได้ละอันนั้ขีดความสามารถของหูนะแต่ว่าไอ้การชอบฟังเสียงวิจิตพิสดารพวกนี้เป็นมโนทวารที่ไปส่องเสพเรื่องเรื่องเสียงไม่ใช่ตัวหูเนี่ยเป็นตัวความคิดละ นนจิตก็วัตถุก็ก็วิจิตถ้าถ้ามองเป็นรายคนนะ่าจะเห็นชัดถึงความวิจิตของวัตถุเช่นตาตั้งแต่ละคนนี่ไม่ใช่ว่าจะเห็นเท่ากันหมดใช่ไหมอันนี้คือตัววัตถุที่วิจิตอย่างต่อไปอีกทวารก็วิจิตอันน่ ะ, ะเห็นหน่อยหนึ่งนะบางคนนี่คิดวิจิตรบรรยายได้ยืดยาวไปหมดเลยนะเห็นนิดเดียวนะ ว่าสะได้ยาวหมดไอ้คนนี้เห็นมากแต่ว่ามันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ทวารเนี่ยเป็นที่มาของของความคิดเนี่ยแล้วต่อไปเพราะวิจิตด้วยอารมณ์ทั้งหลายวันนี้รับกี่อารมณ์เลยเนะโอ้ยทวารตานี่ก็หลับตาลืมตานี่ก็หลับตาลืมตามันเยอะมาหลายหลายพันครั้งอ่ะนะทวารหูอีกไม่รู้รับกี่เสียงทวารจมูกทวารลิ้นแล้วทวารกายเนี่ยสัมผัสตั้งแต่ศีรษะ จนปลายเล็บเนี่ยนะ ท, ที่ตรงที่รับกระทบได้หรือแม้กระทั่งความคิดเนี่ยคิดวนอดีตอนาคตอันความวิจิตอันนี้ก็วิจิตด้วยการรับรู้อารมณ์ต่างๆนะทั้งนี้เพราะให้สําเร็จความวิจิตเป็นอเนกในตัวความคิดหรือจิตเหล่านี้นะมันก็เป็นปัจจัยให้กรรมนะเพราะกรรมเกิดกําเนิดก็เกิดมันทําให้เพศเนี่ยมันวิจิตไปอีก คือเพศแบบนี้เพศหญิงเพศชายแล้วก็มีสัญญามาใส่เป็นชื่อเรียกชื่อว่านี่หญิงนี้ชายเพราะเกิดเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นที่ตั้งของโวหาเนกบอกอนี่หญิงอย่างนี้ชายอย่างนั้นนี้ฝรั่งนี้ไทยนี้จีนนี้แขกเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งของวิจิตอย่างอื่นอีกเยอะซึ่งมีกรรมชนิดต่างๆกันเนี่ยเป็นมูลเนี่ยนะทวนอีกครั้งว่ากรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยให้กําเนิดวิจิต ตัวกําเนิดนั่นแหละเป็นตัวจัดแต่งให้สัตว์นั้นๆวิจิตพอสัตว์นั้นนั้นวิจิตก็ได้ชื่อต่างๆที่วิจิตออกไปเนี่ยนะหรือเป็นที่สําคัญหมายที่วิจิตก็ได้ชื่อที่วิจิตต่างๆเนี่ยนะแม้แต่ในโลกของนกเนี่ยนะนกเนี่ยมีโอ้เป็นหลายพันมากในชะ่ไหมนกนี่ก็มีหลายพันชนิดหลายพันธุ่เนี่ยนะพันธุ์ธุก็คือเผ่าพันธุ์เนี่ยหลายเผ่าพันธุ์มากคนนี่ก็หลายเผ่าพันธุ์เหมือนกัน เดรัชานก็หลายเผ่าพันธุ์มนุษยกก็หลายเผ่าพันธุ์เทวดาก็หลายเผ่าพันธุ์พรมนี่ก็หลายเผ่าอีกเหมือนกันนะพรมนี่เขาเรียกชื่อตามบางทีเขาเรียกตามกสินเช่นเนี่ยปัทวีพรมแปลว่าพรมกลุ่มเนี้ยเจริญปัทวีกสินแล้วเป็นพรมอันนี้อาโปพรมอย่างเงี้ยนี่ยเาจะมีพรมเป็นเป็นชื่อชื่อไปอีกตามตามแต่กสินที่เขาได้นะใ น, นโลกของพรมเมก็วิจิตเหมือนกันเถอะแต่ความวิจิตเหล่านั้นเกิดจากจิตนั่นแหละ นั่นความคิดมันจึงน่ากลัวเหมือนกันเลถ้าถ้าดูให้ให้ดีจริงๆอ่ะตัววิญญาณเนี่ยที่อุปมาเหมือนกับมายากลเนี่ยตัวนี้มันน่ากลัว <c oughs> ในสูตรกล่าวเพิ่มว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองเพราะจิตเศร้ามองพ่องแผ้วเพราะจิตผองแผ้วดูก่อนพิสูจทั้งหลาย <c oughs> ช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดี ครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแสดก็ดีนี่นี่ก็เรื่องโลกของสีนะให้คุณรุ่งเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้น mm hmm. พึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีองค์าพยบครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนังที่ขัดดีแล้วหรือแผ่นผ้าที่เขาจัดเตรียมไว้ดีแล้วแม้ฉันใดอันนันอันนี้แบบโบราณสมัยที่ยังไม่มีภาพแบบภาพพิมพ์แบบสมัยนี้ใช่ไหม ภาพพิมพ์สมัยนี้ดูตัวจริงกับปูภาพนี้มันเหมือนมากงั้นเพราะฉะนั้นอาการอย่างภาพสมัยนี้นะนะวิจิตพิสดารกว่าโบราณเนี่ยมากก็ดูจากหนังสือพิมพ์นะโหสีวิจิตเหมือนกันนะหนังสือพิมพ์ขนาดสีหลักๆมันมีอยู่ไม่กี่สีเองสีหนังสือพิมพ์เนี่ยมีไม่กี่สีเองสีที่มันมากๆสีเข้าไปด้วยนะความวิจิตของสีอีกอเต็มไปหมด ดูการพิสูทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิดขึ้นก็จะให้รูปนั่นแหละเกิดขึ้นพอความคิดทั้งหลายแหละที่คิดนะก็คิดเพื่อให้มีอะไรคิดเพื่อให้เกิดรูปคิดเพื่อคิดเพื่อเอารูปคิดเพื่อมีรูปคิดเพื่อมีเวทนาใช่ไหมคิดจะให้มีสัญญาคิดจะให้มีสังขารคิดจะให้มีวิญญาณนั่นนั่นแหละเกิดขึ้น อ น, นาถ้าเราทบทวนนะสิ่งที่เราต้องการทั้งหลายแหละมีไหมความต้องการที่พ้นขันท่าคิดต้องการให้มีรูปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคิดให้มีเวทนาอย่างนั้นอย่างนั้นคิดให้มีส wohl wohl ัญญาแบบนั้นแบบนั้นคิดให้มีสังขารแบบนั้นแบบนั้นคิดให้มีความคิดแบบนั้นแบบนั้นอยากให้ความคิดแบบนั้นแบบนั้นมันเกิดขึ้นนะเออก็ใช่นะมันต้องการขันท่าอยู II ่ตลอดเวลาเลยต้องการขันท่าไม่ขันได้ก็ขันนึ่งนี้มันไม่สบขันอย่างที่ต้องการก็ โทรศัอกเลยใช่ไหมถ้าได้ขันอย่างที่ต้องการก็ยิ้มแต่ถ้าไม่ได้ขันอย่างต้องการนี่ก็เอาละเดือดร้อนอีกและอันปุถุชนนี่สร้างขันไม่มีไม่มีเวลาว่างเว้นเลยโดยที่สุดนะอย่างจิตทั้งหลายเนี่ยมันมันความชาวณจิตเนี่ยสร้างสัมปยุตรธรรมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนในขณะนั้นนั้นนะอย่างที่สองนะจิตบางอย่างมันสร้างจิตธรรมจิตตรูปออกมาอีก ทีนี้จิตบางอย่างไม่หยุดอยู่แค่จิตตชรูปนะยังเป็นอุปนิสัยให้จิตอื่นๆต่อไปอีกแล้วมันยังมีจิตชนิดที่ว่าเป็นปัจจัยให้กรร ม, มชรูปต่อไปเกิดขึ้นอีกนะนะอันในหนึ่งความคิดที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นปัจจัยแก่อย่างอื่นอีกมากเหลือเกินเนะเป็นปัจจัยทั้งแก่เจตสิกเป็นปัจจัยทั้งแต่จิตเป็นปัจจัยแก่ทั้งจิตตชรูปเนี่ยนะนะแล้วก็จิตเจตสิครูปเหล่านี้ก็ไม่ใช่เฉพาะในภพนี้อย่างเดียวใช่ไหม ของเรานั่งอยู่นี้เนี่ยคือการแต่งพบหน้าเนะแต่งพบต่อต่อไปเนี่ยนะเพราะพบนี้ที่เป็นอยู่นี้ก็แต่งมาแล้วจากพบที่แล้วมบงนั้นเถอะเหมือนกับว่าการแต่งตัวเนี่ยมาจากที่บ้าน เ, เต็ดเร็จแล้วมาถึงก็แต่งใหม่เพื่อที่จะไปต่อข้างหน้านะก็แต่งอยู่อย่างนี้ยไม่มีเลิกมีราแต่สรุปว่าว่าโดยรวมๆหมาที่แต่งนี้ไม่มีพ้นจากการแต่งขันห้า นนะสรุปก็แต่งขันห้าแต่งรูปบ้างแต่งเวทนาบ้างแต่งสัญญาแต่งสังขารแต่งวิญญาณเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้นะของใครไม่คิดถึงขันห้ามีไหมหายากเต็มทีบอก พ, พอกันทีขันห้าพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วว่างั้นไม่เอารูปไม่เอามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะไม่ค่อยมีนะมีแต่เอท่านั้นมันได้ยืดอีกหน่อยก็ดีมากนะอันนั้นถ้ามันได้ประโยชน์มากก็จะดีเนี่ยนะก็คิดเนี่ยด้วยความหวังเป็นต้น ออกงานเป็นยังไงกไม่ไ้ออกงานแล้วเขาจะ ไ, <laughs> ไม่ไม่รู้นะเขาออกงานแล้วบางเจ้าเนี่ยนะ <laughs> พอออกงานปั๊บเนี่ยงาน <laughs> แตกเลยก็มีะ <laughs> คอยมีสัตว์บางอย่างมานะของเราเนี่ยแตกหมดเลยนะตรงเนี้ยเชื่อไหมสุนักมันทำตัวดุหน่อยเนี่ยก็แตกกันแล้วอ่เนี้ยท่านหนักกว่าสุนักเลยนะเป็นงูมานี่ก็แตกแล้วตะขาบมาตัวงตะเข็บมาตัวก็ แ, วแตกกันแล้ว มันถ้าแต่งไม่ดีเนี่ยนะไปที่ไหนวงก็แตกหมดอ่ะอนะทีนี้ถ้าแต่งบางอย่างมานะอยู่ที่ไหนเขาก็ตามล่าเช่นเป็นเป็นสัตว์บางอย่างใช่ไหมอยู่ขนาดไปอยู่เขาลึกมากนะพวกก็ยังไปตามเที่ยวล่าไอสัตว์สัตว์ชนิดนั้นม น, นมาเนี่ยนะ ขนาดไปอยู่สาบหนีไปอยู่ดงอยู่ซอกเขาลืบเขาแล้วพวกก็ยังตามส่อแสวงหาสัตว์ชิงนั้นอ่ะไปเพ่อไปคิดว่าไอสัตว์ชนิดนั้นเป็นตัวยาเข้าะอะไรจะเกิดขึ้นนะก็สะแสวงหาเราสัตว์เนี่ยนะมันะสัตว์บางอย่างนี่ก็ไปหาใครเขาก็ไม่เอาเลยเขาหนีกันหมดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอยู่นะแดนดินใดเนี่ยเขาก็ตามหาเนี่ยนะขนาดจะขุดอุโมงอยู่เขาก็ยังตามหาเลยนะผมมันนึก อ, อย่างงี้ครับ <c oughs> คือว่า ไอ้ที่เราทําปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวอยู่หลังเวทีอครับพอชาติหน้าเขามักพูดว่าออกหน้าเวทีนะพอออกไปข้างหน้ามันหน้าเกลียดมันจะคิดอะไรกัอเวทีน่ะนะจริงๆแล้วนะอันนี้มันก็เป็นผลของการอันนี้ก็เป็นเวทแต่งมันมันจะหลังเวทีกับหน้าเวทีของอีกอีกคนเรพบกันเท่านั้นเองนะมัน สมมติว่ามองมองชีวิตในชาตินี้คือการแต่งเวชาติที่แล้วหลังเวทีของชาติที่แล้วนะใขณะขณะอยู่เนี่ยมันก็หน้าเวทีอะนะแล้วก็หลังเวทีของทบต่อต่อไปอีกก็อาศัยไอ้ไอ้ของเก่าเนี่ยแต่งเพิ่มเม <S <S ติมมัน ร, นรู้มันเพิ่ม <ๆ S 2> แล้วดีหรือไม่ดีกันไม่รู้ครับเนี่ยก็วิเคราะห์เอานะเพราะว่าถ้าวิญญาณเข้าถึงบุญว่างั้นบิดากก็จะเป็นผลของบุญถ้าวิญญาณเข้าถึงอกบุญว่างั้น ขันห้าก็จะเป็นผลของอับุญอับุญก็คืออับุญยะเนี่ยอับุญยาพี่สังขารเนี่ยนะก็ปรุงแต่งขึ้นนั่นก็ตรงนี้ก็จิตของใครก็รับผิด ช, ชอบเอากันแล้วกันนะนนกําลังเลือกคิดจะแต่งแล้วครับกําลังเลือกคิดแต่งขันห้าแล้วนะไม่เอาแล้วสาธุขอให้เป็นจริงเถอะว่าไม่เอาแล้วรูปเนี่ยนะ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาละเอียดเลวประเน็ดไอ้ทั้งหมดอันนั้นก็รูปรูปอันนั้นเป็นของร้อนเนี่ยนะร้อนโดยไฟคือราคาเพราะฉะนั้นพอกันทีว่า ง, งั้นเถอะไม่เอาแล้วต้องการสิ่งที่สงบจากรูปเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วไอ้ของร้อนแบบนั้นจะเอาของเย็นะ่ะที่มันพ้นขันห้าเนี่ยนะผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้ก็อนุมโมทนาด้วยนะ่ยนะ แต่ถ้าผู้ที่ยังไม่ไม่มีอัธยาศัยก็ยังเห็นว่าขันห้าก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะนะยังมีดีอยู่นะเนี่ยนะก็ก็เตรียมไปไม่เป็นไรก็เมื่อวานนโยมก็ถามหนึ่งลืมพูดเลยเขาถามเรื่องว่าเอสปริทธรรมปริญญาทางลิ่นเนี่ยทำยังไง่ขณะกินอาหารเหมือ น, นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปแก้ตัวใหม <c> ่ <oughs> ลืมตอบเข้าไปนะนะก็ เตรียบท่ายังถ้ายั ง, ถ, ยงถ้ายังมีลิ้นนะให้ ค, คิดไว้เลยว่ามันจะต้องเอาอาหารเท่าไหร่มารูบฝ่าลิ้นเนี่ยนะแผ่นลิ้นบางๆแค่สามนิ้วเนี่ยลูบไป ห, หาอาหารมาลูบไม่ใช่ว่ารูปจะถูกใจมันง่ายๆนะลิ้นน่ะหามาลูบเถอะถ้ามีตาเนี่ยนะต้องแสวงหาสีอีกขนาดไหนให้มันดูไม่ได้ดูใกล้ๆไม่น่ะมันต้องไปดูโน่นไหนมันถึงที่นั่นนะ่ะนะ ต, โโต้องบินไปดูอะมันได้จริงจะ <c oughs> พอใจอะนะ <c oughs> ต้องเอาหมดอะขอให้ได้ให้มีถ้ามีตาเนี่ยสนองเอาหมดอ่ะนะสแสวงหาสีให้ตาดูเนี่ยนะแสวงหาเสียงให้หูฟังเนี่ยนะโอ้ยลงทุนลงรอนเนี่ยนะไปดูฝั่งดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะลงทุนลงรอนไปเพื่อที่จะไปไปเพื่อจะสนองหูเนี่ยอะนะถ้าเป็นช้างด้วยมาตามกลิ่น พวกช้างพวกม้าเป็นต้นเนี่ยมันตามกลิ่นเข้าไปนะแล้วเมื่าช้างมันตกมันได้กลิ่นช้างตัวเมียหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะมันจะตามกลิ่นเข้าไป น, น, นะไกลมากเลยนะหรือตามโพธิภพเนี่ยนะนั้นอะัะนั้ น, น, น, นมีตาเพื่อจะตามหารูปมีหูเพื่อจะตามหาเสียงมีจมูกเพื่อจะตามหากลิ่นมีลิ้นตามหารสมีกายก็บำรุงมันเถิดนะ มันต้องเจริญเติบโตก็หาอาหารหล่อเลี้ยงมันหยอดให้มันมันหนาวก็หาไอ้ของที่มันทําให้มันอุ่นขึ้นตามหาโพธาภะอยู่ดีตามหาโพธาะเนี่ยนะถ้ามันว่าเออนี่มันร้อนไปหาโพธาภะที่เย็นถ้ามันเย็นมากไปหาโพธาภะที่มันร้อนกว่านี้เนี่ยนะไปแข็งก็หาโพธาภะที่อ่อนเนี่ยนะไปอ่อนก็ไปหาโพธาภะที่มันแข็งอ่ะนะก็ตามหาโพธาารมเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอไอความคิดมันไม่ยอมอ่ะมัน บางทีนะัมันอยู่ตรงนี้มันไม่ชอบคิดตรงนี้มันจะไปหาคิดที่อื่นนะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สนองไอ้ตัวความคิดอีกอ น, น ะ, ะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงขันห้าไปเถอะจากขันหนึ่งสูข่ขันหนึ่งจากขันหนึ่งสูข่ขันหนึ่งเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบให้ในหนึ่งมันก็เหมือนกับเล่เด็กเล่นขายของกันนะทาเสร็จแล้วก็รือร้อๆแล้วก็ทําใหม่ทําใหม่แล้วก็รื้อๆแล้วก็ทําใหม่สนุกสนานมากเลยนะมีความสุขมากทะเลาะกันเพราะของเล่น น, ะนั่นแหละ ที่จริงนะสิ่งที่เราโหเดือดร้อนเร่าร้อนกันเนี่ยนะกับบางท่านในตรงใจถ้าขำหน้าดูเลยนะโอ้ยพวกนี้มันอะไรกันเนะี่ยหน้าขำจริงๆเลยนะเพราะของไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยอะ่ะติดอยู่นั่นแหละนับอยู่กับขันท่านั่นแหละมันจากพระพุทธพจน์เนี่ยนะที่ทําให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะสร้างก็สร้างแต่ขันท่านะแหละ สร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณคือเพลิดเลนนะนะขันในอดีตที่ผ่านมาก็หาประมาณไม่ได้ไอสิ่งที่จะเป็นไปต่อชีวิตปัจจุบันก็สแสวงหาขันต่อไปอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะเหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาก็อาศัยอาหารดํารงชีวิตอยู่ใช่ไหมชีวิตในขณะนี้อยู่ก็วิ่งหาอาหารอยู่ต่อไปเนี่ยนะเพื่อจะมีอาหารกินจะได้มีแรงจะได้ไปหาอาหารต่อก็ก็อยู่อย่างนี้ อาหารในอดี ha อ all, อ Ooooh, ตเป็นปัจจัยให้อิ่มทุกวันอิ่มทุกวันก็จะได้แสวงหาอาหารใหม่ไปเรื่อยเนี่ยนะตามหาอาหารเหมือนกันเถอะอันนี้ตามหารูปตามหาเวทนาตามหาสัญญาตามหาสังขารวิญญาณก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นปองก็เลยถามว่ารูปนี่มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไอ้รูปที่ตามหาเนี่ยนะที่ตามหานี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่แสวงหาเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าวนะนะ เวทนาที่ตามหาเนี่ยสุขหรือทุกข์เป็นต้นเนี่ยมันเที่ยงไหมเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงอย่างเง้ยแหละสัญญาเที่ยงไหมสังขารเที่ยงไหมวิญญาณเที่ยงไหมตามหาความคิดอะไรความคิดอันนั้นมันเที่ยงไหมไ ม, ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคว ร, รหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราบอกไม่ควรพระเจ้าค่ะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่า เพระาะฉะนั้นแหลเพระาะฉะนั้นเนี่เพระาะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนั่นแหละ น, นะเพราะอะไรเพราะว่ามีแล้วก็ไม่มีใช่ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกเนี่ยไม่ควรไปยืดถืออะไรเลยนั้นขันไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะไม่ใช่เฉพาะเท่าอยู่ที่เห็นเห็นเท่านั้นนะแม้อดีตที่ผ่านมาแม้อนาคตที่จะมีต่อไปเนี่ย แม้ปัจจุบันที่กำลังมีอยู่ทั้งหมดในในสากลและพิภพเนี่ยที่เป็นอุปาทานขันห่านะทั้งภายในตัวทั้งภายนอกตัวทั้งของตัวเองทั้งของคนอื่นทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเลวซามที่สุดหรือละเอียดที่สุดเลวซามประณิตไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่นี้หรือว่าไกลถึงพวกภพบทั้งหลายนะจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะมันก็คือขันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นขันเหล่านั้นเธอไม่พึงเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราทําไมเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงเพราะมันสิ้นไปมันเสื่อมไปมันสลายไปเอ้าถ้าตามเห็นว่าตามเห็นถ้าตามเห็นว่ามันเที่ยงล่ะมันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เห็นหรอกเนี่ไหะถ้าตามเห็นว่ามันสุกมันก็ไม่สุกอย่างที่คิดหรอกถ้าตามเห็นว่าเป็นอัตตามันก็ไม่ได้เป็นอัตตาอย่างที่ตาม หาหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็อริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้นรูปใช่ไหมเบื่อหน่ายแม้นเวทนาเบื่อหน่ายแม้นสัญญาเบื่อหน่ายแม้นสังขารเบื่อหน่ายแม้นวิญญาณแต่อย่าลืมเบื่อหน่ายความคิดอันนั้นด้วยนะว่าไอ้ความคิดอันนี้ก็น่าเบื่อมา ก, กันเหมือนกันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วนะก็บอกพอแล้วฉันเลิกสร้างขันห้าเนี่ยนะอันนี้อันนี้เป็นคน เ, เลิกสร้างขันห้าแบบคนรู้จักขันห้าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฉันเลิกสร้างขันห้าแล้วแต่ว่าไม่มีมรรคภาวนาอะไรสรักอย่างเลยนะไม่ได้เจริญภาวนาแม้แต่หน่อยเดียวบอกว่าเลิกสร้างขันห้าเนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยนะกําลังไอคิดแบบนั้นน่ยก็คือการคิดสร้างขันห้าอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะ อคิดว่าไม่สร้างนั่นแหละคือการสร้างอีกเหมือนกันเพราะว่าคุณจะเลิกสร้างขันห้าได้ต่อเมื่อคุณไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์นะเมื่อได้รู้สิ่ง first, ท Ь ี่ ER ไม่ใช่ขันห้าเมื่อไหร่นั่นแหละคุณจะเลิกสร้างขันห้าได้ถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์อยู่นะยังไงยังไงก็ยังมีขันห้าเพราะคิดจะไม่มีขันห้ามันก็คือขันห้าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสร้าง ต่อเมื่อไม่สิ่งที่รับรู้ไม่ใช่ขันห้าเมื่อไร่นั่นแหละจึงจะจึงจะพ้นขันห้าเพราะว่าพระนิพพานเป็นขันทวีมุตใช่ไหมแต่ว่ายากนักแรที่จะถอนฉันทราคาจะจากอุปาทานขันห้าได้เพราะว่าแม้ขันห้านี้ติดหนับมากเลยนะดูเหมือนไม่ติดแต่ว่าติดจริงๆเลยนะคือถ้าถ้าเราไม่ติดเลยนะ ก็ลองใครมาขอดูเอะเร า, เราถ้าถ้าอยู่อย่างเงี้เหมือนไม่ติดนะแต่เรียกว่ า, กอาอุเบกขาอ่เอรียกว่าโลผ้าอุเบกขาแต่ถ้าต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยจะเริ่มรู้ว่าติดเนี่ยนะแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ติดนะมันจะเสียมันจะเสี ย, สยหรือมันจะอยู่เราก็โดยมากก็เฉยเฉยใช่ไหมเหมือนกับอ า, อารมณ์ที่เราไม่ติดเลยนะสมมตนะิอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้นะที่บคสเนี่ยมันมีทั้งขาไปและขามา ทำไมเราเฉยหมดเลยนะพวกเราไม่ได้ไปติดอะไรแต่ถ้าติดเนี่ยถ้ามีขามาที่เราติดนะเราก็เอาลถ้ามีขาไปที่เราติดอีกเราก็จะเราเรืเรามีได้มีเสียในสิ่งนั้นนะแต่จริงๆมันก็มีการมาการไปแบบนั้นแต่ถ้าวัตถุดใดที่ติดนะเช่นถ้าวัตถุนั้นเราจะได้มาเราก็โสมนัสหรือเราก็พอใจถ้าวัตถุนั้นเรามันจะจากเราก็จะเสียใจถ้าวัตถุไหนเราติดนะจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นวัตถุใดที่เราติดวัตถุนั้นจะก่อให้เกิดอภิชากับโทมนัสเนี่ยก็สังเกตจากเวทนาก็พอรู้ได้ทันทีที่ไม่ติดเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีไม่ใช่ขันเป็นอารมณ์ทันทีเลยผมนใจนต้องต้องไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์แล้วอ่ะจึงจะรู้ว่าฉันพ้นจากขันห้าจริงๆ แต่สิ่งที่เราคิดอ้าวเวลาเราคิดถึงบัญญัติก็ไม่ใช่ขันห้าบัญญัติเหล่านั้นก็มาจากขันห้าทั้งนั้นเป็นผลของขันห้าเนี่ยนะเพราะเป็นบัญญัติที่อาศัยขันห้าเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเกี่ยวเนื่องกับขันห้าต่อเมื่อคุณหมดไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์ได้เมื่อไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะการแสวงหาที่พ้นขันห้าไม่ใช่ด้วยการเหาะไปเนี่ยนะเงื่อนไขนะที่ที่ในโรหิตตสสูตรเนี่ยที่ เทวดาไอ้เทวดาหรือฤาษีเนี่ยเขาเดินเขาเรียกว่าขาข้างหนึ่งเขาก้าวหนึ่งก้าวข้ามจักรวาลเหมือนกันเถอะก้าวอยู่ร้อปียังไม่พ้นเหมือนกันก็บอกือพรมเนี่เหาะได้วันละหลายสิบหรือหลายร้อยจักรวาลเนี่ยเหาะไปเหาะจนสิ้นพรมอ่ะจนสิ้นอายุพรมเนี่ยมันยังไม่พ้นจักรวาลเหมือนกันแทนเพราะฉะนั้นเหาะไปที่ไหนมันก็ไปหาขันท่านั่นแหละมันจะไม่มีการพ้นขันท่าเลยแต่พระองค์บัญญัติขันท่าที่ไหนล่ะไอ้บัญญัติที่สุดแห่งขันท่าอยู่ที่ไหน อย่างที่ว่านะั่นหนึ่งอุปาทานขันท่าใช่ไหมอุปาเหตุให้เกิดอุปาทานขันท่าจะสิ้นสุดอุปาทานขันท่าเมื่อทําลายเหตุแห่งขันท่าอันนี้จึงกระจบแต่ถ้าไม่ไม่ตัดเหตุแห่งขันท่านะยังคิดเสาะหาว่าแม้สงสัยจะอยู่ตรงนั้นไหมยอยู่ตรงนี้มั้งไอตรงนั้นก็คือขันท่าไงแหละไปไปไปก็เจอขันท่าไม่ได้พ้นขันท่าเนี่ยนะก็เนี่ยที่ว่าสุนัขล่ามถูกล่ามโซ่เนี่ยนะ มันจะหมายวิ่งไปตรงนั้นมันจะพ้นหลักไม่ใช่ก็ติดหลักแบบนั้อยวิ่งไปเถวิ่งยังไงว้นติดอยู่ในหลักนั้นนะพะวิธีที่จะออกก็คือทําลายเหตุแห่งหลักอันนั้นซะ อ, ะอาาันนี้นกระต่ายเขาเกลียดแผ่นดินเลยไหมแผ่นดินเขาบอกว่าเขาบอกว่าแผ่นดินก็เรียกกระต่ า, ตายฮะใครเรียก แผ่นดินไงแกมันอุจาระปัสสาวะรถรถชันอยู่ทุกวันทําเป็นไม่รู้จักเหมือนกันแหมฉันอุจาระฉันก็เม็ดนิดเดียวว่างอนกันปัสสาวะก็หน่อยเดียวทําเป็นมาทวงอีกเหมือนกันฉันจะไปให้พ้นแกแล้วนะเออแกไปเถอะก็ตายก็วิ่งใหญ่เลยจุดวิ่งแผ่นดินก็บอกเอา้าเป็นไงก็ตายเหนื่อยไหมเอายังไม่พ้นอีกก็วิ่งอยนะ่นั้หนีแผ่นดินเนะนี่ยนะหนีไไหนก็ตาย ตัดทั้งหลายก็นี่ยเหมือนกันนั่นแหละวิ่งหนีให้มันพ้นขันห่านะมาเบื่อเมืองไทยจะไปอยู่เมกาก็ไปเอาขันห่านั่นอีกหนีขันอันหนึ่งไปหาขันอีกอันหนึ่งบอกเบื่อชาตินี้แล้วเกินเอาชาติหน้าอีกมาคิดหาขันอันใหม่อีกนะอย่าคิดอยู่อย่างไ้ก็โอ๊ยตามหาขันห่าติดห้องในขันห่าเพลิดเพลินในขันห่าหมกมุ่นอยู่กับขันห่าเนี่ยนะก็ขันห่ามันก็ซ้อนอย่างที่เป็นนี่แหละ ราคาเกิดบ้างโทสะเกิดบ้างโมหะเกิดบ้างเนี่ยนะแต่ผลที่มันชัดคือไอ้โทสะเนี่ยนะที่ที่มันเกิดผลง้องขันห่านนะ่เวทนาเนี่ยเข้าไปทางธรรมะนี่ถือว่าเวทนาเนี่ยยกมาที่สองปลองจากรูปเนี่ยนะเพราะว่าเรารังเกียรส่วนหนึ่งคือรังเกียรรูปก่อนใช่ไมข้อหนึ่งนะข้อสองรังเกียดเวทนาถ้าจะเห็นชัดเลยนะทุกขเวทนาเนี่ยเราต้องการไหมรูปเนี่ยดูเหมือนดีหมดเลยแต่มันปวดอะเอา นะว่าร่างกายนะดูภายนอกไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันปวดเต็มที่เลยนะในสรีระอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ชอบอีกเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยจึงน่ารังเกียจเป็นเป็นที่สองรองลงมาแล้วนะเวทนาเนี่ยอย่างในอบายทั้งหลายแล่นี่นะอย่างสำหรับพระเทวทัพเนี่ยสรีระภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าอุณหภูมิมันไม่รู้กี่พันล้านองศาอย่างนเง้ยนะมันจะปวดขนาดไหนเนี่ยนะมันจะเร่าร้อนขนาดไหนทุกขกายยับญั้งยามจะเกิดขนาดไหน ก็ของเราแค่อุณภูมิขึ้นสักสี่สิบองศาเป็นยังไงในร่างกายอยู่ไม่จากเกิสุดาถ้าสักสี่สิบเนี่ยนะ ถ, กกยถ้าเด็กก็แย่นะถ้าผู้ใหญ่ก็ถ้าผู้ใหญ่ก็กกอย่าไปคุยอะไรให้ผิดหูก็แล้วกันเพราะว่าทุกขเวทนาเป็นเหตุใกล้ของโทสะใช่ไหมมันได้อะไรกระเทือนใจหน่อยนี่ก็ไปกันเลย อีกสูตรหนึ่งทำไมยาวจัง ข้ามไปหาสูตรอื่นก่อนก็ได้นะเอาสูตรที่สั้นๆก่อนเนี่ยนะเคยละแต่ว่าจะจะเปลี่ยนเพิ่มอีกครั้งนึงมาขึ้นส ก, กายะสูตรนะหน้าสามร้อยหกสิบสามกรุงสาวถีเนี่ยนะก็คือวัดพระเชตวันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนทั้งหลาย เหล่านี้มีอยู่สอย่างดังต่อไปนี้นะสอย่างคืออะไรส่วนคือสกายะหนึ่งนะส่วนคือความเกิดขึ้นแห่งสกายะนี่ยหนึ่งส่วนคือความดับแห่งสกายะนี่หนึ่งส่วนคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสกายะอีกหนึ่งนะอันตาอันตะเนี่ยนะแปลว่าส่วนอ่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเป็นส่วนนะ่นก็คือสกายะ ความเกิดของส ก, กายะความดับแห่งส ก, กายะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับส ก, กายะน่น